เริยนในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รลวงพระพุทธญาณก็มังนำเสนอเรื่องสัมมาวจาคือการเจรจาชอบตามนิยาแห่งพระพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่ทรงจาแนกแสดงไว้โดยนิยาต่างๆซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็อยู่ในกลุ่มของวจีสุจริตทั้งสประการ นันเป็นเรื่องของสัมมาวาจานั่นเองเมื่อก่อนได้พูดถึงผาสิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าคนเขากล่าวกลาว่กล า, วกลาวคำชั่วชื่อว่าย่งฝันตนเองด้วยความนันใดความนั้นา น, านั้นก็ย่อมเกิดที่ปากของบุคคลู้นั้นวันนี้จะกล่าวโดยนยะอื่น ที่พระเทระรูปหนึ่งชื่อพระหาริตะเทระได้กล่าวไว้ว่าบุคคลทําสิ่งใดควรพูดสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งใดไม่ควรพูดสิ่งนั้นบัณฑิตยองกําหนดรูปคนที่ไม่ทําได้แต่พูดแต่นี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการกล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคล เกิตามปกติแล้วคนโกหกนั้นก็มักจะ ก, กล่าวอ้างสิ่งดีงามต่างๆที่คนอื่นเขาทำมาเป็นผลผลงานของตัวเองถึอบางครั้งบางคราเราอาจจะดูผสมกลมกลืนกันไปแล้วก็มีความชื่นชมคลาๆกับเป็นอนุสาวรีย์คือความดีของท่านเหล่านั้นที่ได้สร้างไว้เชืว่า มีชื่อถนนสะพานลำคลองหรือสถานที่สาธารณะต่างๆบางอย่างมันเกิดขึ้นในงบประมาณของแผ่นดินซึ่งประชาชนในชาติได้ช่วยกันเสียแล้วก็มาจัดเป็นสาธารณูปโภคให้แก่แผ่นดินก็มีคนบางพวกเอานามสกุลตัวเองไปตั้งบ้างเอาชื่อตัวเองไปตั้ง คนรุ่นหลังเกิดมาไม่รู้เรื่องก็เข้าใจว่าท่านผู้นี้ได้เสียสละต่อชาติบ้านเมืองได้สร้างสาธารณูปโภคให้แก่ชาติบ้านเมืองเป็นต้นมันไม่ใช่พูดหรอกแต่ว่าที่การเขียนการอะไรบอกไว้ก็คือการพูดอย่างหนึ่งนั่นเองก็แสดงว่าไปบอกในสิ่งเจียวเตือตัวเองไม่ได้ทําว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองทํา ก็เป็นการขโมยความดีของแผ่นดินซึ่งลักษณะเหล่านี้ถ้าทางที่ถูกที่ควรเนี่ยนะมันควรจะใช้ชื่อให้เป็นธรรมะเพื่อเป็นภาษากลางๆแล้วก็เป็นการสะท้อนบอกกล่าวอะไรก็ราสิ่งเหล่านั้นทำไมจึงชื่อมาอย่างนั้นมันสะท้อนสะท้อนให้เห็นถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะของบุคคล เช่นสมมติว่ากรุณานิเวศอย่างเงี้ยหมายความมาที่อยู่ของคนซึ่งเกิดขึ้นด้วยความกรุณาหรือว่าอยู่ร่วมกันด้วยความกรุณาหรือเมตตาสถานสถานที่ที่เกิดขึ้นด้วยแรงเมตตาของบุคคลผู้มีคุณธรรมทั้งหลายและคนที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นก็จะต้องได้รับการดูแลใจใส่จากคนอื่นด้วยเมตตาเป็นต้น ตามปกติแล้วชื่อวัดว่าอารามมันก็มักจะชื่อในแนวนั้นชื่อในแนวที่เป็นการสะท้อนคุณธรรมความดีของบุคคลออกมาเอ่อแสดงถึงผลของการประพฤติปฏิบัติ ธ, ตธตตรรมะเอ่อแสดงว่าไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อมโยงคือเราทำเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำก็พอแล้วนะฮะ ก็ตามปกติงานพวกสาธานอุปโภคเนี่ยมันไม่มีใครทําได้คนเดียวสุดมากจะต้องอาศัยความรบแรงรบแจกันช่วุหลือเกื้อกูลกันก็เรียกว่าเป็นผลของสามัคคีนะที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเหล่านั้นผลจะพูดให้ตรงมันก็ต้องแสดงให้เห็นถึงพลังของความสมานสามัคคีที่มีอยู่ภายในสังคมแล้วก็แสดงออกมา ดนั้นถ้าไม่ทําสิ่งใดก็บอกว่าไม่ได้ทําถ้าเวลาเราพูดโดยส่วนเหตุท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินที่มีการประรบพระพุทธเจ้าว่ายะถาวาดีตถาการีตถาวาัดยถาวาดีตถาการีตถาวาดียะถาการีคือทำอยังไงก็รับสั่งอย่างนั้นรับสั่งยางไงก็ทำอย่างนั้น ก็หมายความว่าก่อนจะทำหรือว่าหลังจะทำไปแล้วเนี่ยมันก็สอดคล้องกันคือทำก็บอกว่าทำไม่ทำก็บอกไม่ทำพูดก็บอกว่าพูดไม่พูดก็บอกว่าไม่ได้พูดทีนี้ถ้ามันมีหลักอยู่อย่างนี้คนจะบหลักได้อย่างนี้ต่อไปจะมีการแปลกแยกออกไปก็รู้ว่าคนบางคนเนี่ยพูดเก่งแต่ว่าไม่ได้ทำ หรือว่าได้แต่พูดแต่ตามปกติแล้วคนถ้าทำตามที่พูดหรือพูดตามที่ทำายไม่ค่อยแปลกอะไรแต่ส่วนใหญ่น่าจะพูดเกินที่ทำแล้วก็ในสุดก็โมเมเอาเป็นความสำเร็จเป็นของตัวเองถึงว่ากันตามความไม่จริงแล้วก็วก็มีมุสาวาดอยู่นะ เพราะไรเพราะว่าไม่เป็นไปตามความจริงที่เป็นเหตุได้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในกุตการิกายนะสุตตานิบาตความว่านราชนเราได้ถูกอ้างเป็นพยานบึกความเท็จเพราะเหตุแหกเพศแทงตนดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ดีพึงรู้นราชนนั้นว่าเป็นคนเลว คือคําประเทศในความหมายเนี่ยหมายความว่าไม่ได้พูดไปตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้อาจจะพูดเกินความจริงหรือพูดน้อยกว่าความจริงตามปกติแล้วเนี่ยคนเราเวลาพูดที่เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยมันจะไปผูกโยงกับความรู้สึกต่อคนคนนั้นอยู่ด้วยเช่นว่าพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบเนี่ย บ า, างท่านที่ก็ทําความดีเยอะเราก็ลดความดีเข้าไปลงไปแย่เลยคืออย่าพูดแต่น้อยสํานวนภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอําความคือความจริงมันมีมากกว่านั้นก็ทําดีมากกว่านั้นแต่เราพูดสนิดเดียวเพราะอะไรเพราะความไม่ชอบมันก็กลายเป็นอาการที่เราเรียกว่าอากาติคือความลําเอียงอันนี้เพราะเหตุอะไรวะคเพราะเหตุที่ของคนที่เราไม่ชอบ เราก็ยอมทำชั่วไปโกหกแต่พอพูดถึงการกระทำชั่วของเขาสมมติเขาทาชั่วไม่มากอะไรเท่าไรหรอกแตพูดแล้วพูดอีพูดแล้วพูด อ, ดดอีอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราลองสังเกตว่าเวลามีการพูดถึงความไม่ดีของพระบางรูปพูดกันมาตั้งแต่โบราณนั่นแหละลากไปถึงถึงบุญเพลงหีบเหล็ก แล้วก็เรื่องใครต่อใครนะฮะแม้แต่เนี่ยเรื่องยันตระก็ดีเรื่องอันนี้ก่อนก็ดีในเรื่องตั้งนานเลกาเลียแล้วก็เอามาพูด ก, กันก็ผลท้ายเนี่ยว่ามันไม่ได้เพิ่มความชั่วหรือว่าลดความดีอะไรให้แกเขาสมมติว่าเขาทำชั่วเราพูดว่าเขาทำชั่วเขาก็ชั่วเท่าที่เขาชั่วเขาทาดีเราพูดว่าเขาทาดีเขาก็ดีเท่าที่เขาดีแต่ การที่เราพูดตรงต่อความจริงเนี่ยมันเป็นว จ, จีสุจริตเป็นธรรมาวาจาเราก็อาศัยทงความดีความชั่วของเขานั่นเป็นเครื่องมือในการทำความดีของเราแต่แน่นอนคือการพูดถึงความดีของบุคคลอื่นเนี่ยที่ยิงพูดเมื่อไรก็ได้นะแต่ความชั่วกองบุคคลอื่นก็ต้องดูการละเทศะกันหน่อยทำไมจาเป็นก็ไม่ต้องพูดหรอกเพราะะไรเพราะ ไม่เกิดประโยชน์อย่างพระเวลาเทศเวลาสอนอะไรธรรมะอธิบายธรรมะเนี่ยล้วมักใช้เป็นนิทานเป็นอุปมาเป็นตัวอย่างบุคคลคือจะไม่พูดตรงๆออกไปคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างโน้นรู้สึกว่ามันเป็นการซ้ําเติมเขาคือขาดความกรุณาต่อเขาแต่ถ้าพูดถึงความดีที่เขาทําเนี่ย มันก็แสดงว่าเราชื่นชมในตัวเขาแล้วคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะมีความรู้สึกชื่นชมต้องการจะถือเอาตัวเขาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้แก่นตนทีนี้ในกรณีของการเบิกความเท็จเนี่ยมันเป็นเรื่องแรงเพราะว่าสามารถพลิกคนผิดได้เป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดได้ก็ถือว่าเลวเอามากๆ ก, ก, กันนะ ก็ใช้คำว่าเลวเลยเป็นวสละวสระก็อาจจะเป็นว่าคนถอยหรือคนเลวนะคนไม่ดีอ่ะพูดง่ายว่าไม่ดีทีนี้การเบิ่ความเท็จเนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะเกิดมาจากกลัวก็ได้นะออาจาจะเกิดมาจากต้องการผลประโยชน์ก็ได้หรือว่าต้องการจะซ้ําเติมคนอื่นก็ได้คือสฉกฉวยโอกาส เดนเราไม่ชอบใจใครคนใดคนหนึ่งข้าวคนใดคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วพอดีคนนั้นก็ถูกกล่าวหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็ไปสงทกกับเขาท า, ทางที่จริงไม่จริงก็ไม่รู้แล้วก็สังคมก็ค่อนข้างชอบในเรื่องเราเนี้เราสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างแปลกนะทางๆ ท, ที่ว่ารัฐธรรมนูญนี่ก้าวหน้าไปเยอะเช่นว่า การกล่าวหาใครที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยเขาให้สันนิษฐานไนว้ก่อนว่าจะเบื่บริสุทธิ์ก็ดีนะจริงจริงแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีการเลือกปฏิบัติแต่ว่าคนก็ชื่นชมกัน <_ d ia> เช่นมาจับแล้วหาหลักฐานตอนทีหลังหลักฐานไม่พอฟ้องหรอกแต่ก็จับจับเอาก็ไปขังไว้เป็นเดือนๆือนปีๆเลยนะฮะ แล่กว่าจะฟ้องได้บางทีสารก็ยกฟ้องเขาก็ติดคุกฟรีไปเลยอันนี้คือแสดงให้เห็นทั้งว่ามันเป็นการใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้เหตุผลพราะเขาก็ยังอยู่ในโลกนี้มันไม่ต้องกลัวอะไรนะถ้าเ็าผิดเราก็ไม่เปิดเผยมันเป็นสัมภาษณ์ได้ไปเจอไปเจอก็ถึงเวลาเขาจับแต่จับแล้วก็ต้องมีข้อมูลพร้อมที่จะฟ้องเขาไม่จะเอาไปขังไม่เป็นเดือนๆ ป, ปีๆแล้วจึงจะไปฟ้อง คือถ้ารบมองแล้วเนี่คล้ายๆจะยุติธรรมแต่มันม้วไม่ยุติธรรมอะบางคนอย่างเรื่องโจโอแอร์นั่นไหมคนถูกกล่าวหาใส่ร้ายติดคุกไปตั้งหลายปีตายในคุกก็มีคนรู้ท้ายเล็วๆคนไม่ได้ทําผิดเลยนะจับเขาไปเพราะฉนั้นพนี้บาสนะเป็นการสะสมบาปเป็นการทําบาปเพราะในเทสเนี่ยคือเห็นก็พูดไปเห็นก็เท่าที่เห็น เห็นเท่าไหร่ก็พ <hi> ูดเท่านั้นได้ยินมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้ทราบมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้รู้มาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นทีนี้บางอย่างเนี่ยมันไม่ชัดเจนถ้าได้มีคนพูดจําเป็นต้องพูดเราก็บอกว่าได้ยินเขาพูดเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าเราพูดว่าเราเห็นถ้าเราเห็นเราก็บอกว่าเราเห็นถ้าเราได้ยินก็ต้องบอกว่าได้ยินถ้าทราบก็บอกว่าทราบถ้ารู้ก็บอกว่ารู้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิ จ, จิตรจริตที่เราเรียกว่าสัจจาวาจานะฮะทีนี้การการเบิกพยานเทจเนี่ยในโรงในศาลเนี่ยมันที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทำคนที่ไม่ผิดให้กลายเป็นคนผิดบาปมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นราบาปที่อยู่ภายในใจของบุคคลเป็นมุสาวาด แล้วข้อความนั้นที่จริงก่อนข้างเพรเจอด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเห็นไม้มเขาเองก็ถูกเราเบียดเบียนเราเองก็เบียดเบียนตัวเราเองได้ทรงแสดงไว้อีกข้อหนึ่งว่าผู้ใดสรรเสริญคนควรนินทาหรือนินทาคนควรสรเสริญผู้นั้นย่อมเก็บโทษไว้ด้วยปากจะไม่ได้สุขเพราะโทษนั้น น, นี่ก็คือการมองตามความจริงไม่ใช่อารมณ์คือตามปกติแล้วที่เราจะตัดสินอะไรให้มันตรงตัวลงตัวเนี่ยต้องมองที่กรรมคือการกระทําเขาอย่าเอาคนเข้ามาเกี่ยวอย่าได้เคยกตัวอย่างว่าเหมือนเราตรวจข้อสอบเนี่ยอย่าเอาคนเข้ามาเกี่ยวตอนนี้ไอ้คนนั้นขนาดไหนคนนั้นนามตัวคนนั้นคนนี่เรามีความรู้สึกรักรู้สึกชังรู้สึกกลัว แล้วความลำเอียงเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายนะฮะธาตุสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องฟังลองสังเกตนะฮะเสียงอื่นเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้เสียงเครื่องยนต์กลไกเสียงเครื่องบินเสียงรถเสียงอะไรเนี่ยเราสามารถอ่านหนังสือได้แม้แต่เสียงเห่าหอนควักกันของสุนัขเนี่ยเราอ่านหนังสือได้แต่พอเสียงคนเราอ่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราฟังรู้เรื่องแต่จิตใจมันจะไปจดจ่อจะไปฟังแล้วจะเกิดความพอใจไม่พอใจ ไม่พอใจก็หงุดหงิดนะฮะพอใจก็เพลินผลงาใจก็ไม่ดีอยู่กับงานที่เราทำเราอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะนั้นพอเอาคนก็มาเกี่ยวข้องแล้วจะยุ่งหลักการสำคัญในแนวของบัณฑิตเนี่ยสงใช้คำ้อความเต็มนะใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคออแล้วตำหนิ คนที่ควรตําหนิเมื่อเขามีการกระทําที่ควรตําหนิมหมายความว่า ด, ดูที่การกระทําเขาแต่ควรตําหนิมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เขาดูที่เขาทําอ่ะเขาทํามากก็ตําหนิมากได้เขาทําน้อยก็ตําหนิน้อยได้ทีนี้บางอย่างเนี่ยอย่างเวลาเนี้ยมันก็มีเรื่องเข่าระสมเช่นว่าเขาปควรไปเมายาบ้ามาไปเมายาอะไรต่อไรจนขาดสติสตัง จนเกิดภาพร้อนจนภาพลวงเกิดหวาดกลัวเกิดมองคนเป็นอะไรไปแล้วก็ทำอะไรไปอันนี้ก็ต้องลดลงมาฮนะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกเขาแต่ว่าเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดก็เป็นเหตุทาให้เข้าไปประพฤติไปกระทำในลักษณะ น, นั้นเราก็ตำหนิในกรณีที่เขาติดยาเสพติดมากกว่าที่ตำหนิในกรณีที่เขาไปฆ่าคน เพราะถ้าหากว่าเขาไม่ติดยาเสพติดแล้วอาการอย่างนั้นก็ไม่มีการฆ่าก็ไม่เกิดในส่วนใหญ่เนี่ยเขาจึงมองไปที่การตัดไฟแต่ต้นลมอย่างวันนี้เราก็พยายามที่จะพูดไปในที่ใดที่หนึ่งก็ตามก็พยายามจะพูดออมาเองนี่เรียกว่าทุกแข่งนะฮะก็แวะไปที่โรคเอดบ้างแวะไป ที่เรื่องชู้สาวบ้างแวะไปที่สิ่งเสียติด บ, บ้างเนี่ยฮะ ก, ก็ก็จะอวนบนไปแต่แต่นี้อยู่บ่อยๆอย่างน้อยเราก็มีตัวอย่างมีนิทานอะไรเขออา้ามาเทียบคินอันทีเอาข่าวกำลังฮิตทิดกำลังดังอยู่ตําหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยไปเล่าไปให้วิเคราะห์ให้เด็กฟังให้เด็กก็คิดตามเพราะเวื่นี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะไปน่ากลัวเราไปอบรมเด็กในต่างจังหวัดบางทีนี่ เกิด <G ül üyor> มาไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอคำถามเนี่ยจะเยอะและคำถามบางเรื่องเนี่ยมันไม่น่าถามฮะเด็กวัยขนาดนั้นไม่น่าจะถามกันอย่างนั้นแต่ก็มีคำถามในลักษณะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะชี้นแนะแล้วก็ทวงติงคือหมายความว่าการพูดอย่างนี้ <g ül üyor> คิดแต่นี้อย่างนี้อย่างเด็กมอมอมอสป4มอ5มอ6 แกถามมานน่าเฉยแต่เฉยมันนั่งสมาธิใจไม่สงบแต่เห็นหน้าสาวมารออยู่ขา้างหน้าอันนี้ต้องอบรมเลยอบรมกลาดไปทั้งหมู่นั่นแหละตรงนั้นเนี่ยเด็กมันกลัาเรียนหนังสือนะมันอะไรกันนักหนาแล้วเข้าๆไขอบรมสมาธิเนี่ยก็ประมาณห้าวันน่ะนะว่ามันห้าวันเท่า น, นั้นเอง นี่ก็คือตำหนิเมื่อเขามีการคิดการพูดการทําที่ควรแก่การตำหนินั้เหมาะสมแก่วัยแต่ไม่ใช่ตำหนิคนที่คิดถึงคนรักหรอกเพียงแต่ว่าวัยนี้มันยังไม่ถึงไม่ถึงคราวที่จะไปคิดถึงคนรักกันขนาดนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องเพอร์เจอบางทีก็ต้องดุวัยนี้มันเพอร์เจอมันคิดเพอร์เจอไม่รู้จักตัวเองยังต้องขอสตางค์พ่อแม่มาเรียนหนังสืออยู่ มันคิดอย่างนี้มาจะไปจีบสาวแล้วจะเอาอะไรกินนะตัวเองจะไปขอพ่อแม่กินเดียเนี่ยจะเอาคนอื่นมาเลี้ยงได้ยังไงมึงถึงก็ดุเลยนะก็ดุก็ดุเป็นการปรามคนอื่นไปด้วยในตัวเพื่อให้แกได้ฉุกคิดนะว่าตัวเองจะตางเดลวันอย่างขอพ่อแม่อยู่นะคิดหลงไหลฝ่ายขวัญจะไปมีโฟงมีแฟนไปโน่ะเด็กมสี่มห้ามหก เยอะนะฮะแปลกเด็กต่างจังหวัด เ, เนี่ยปัญหาในนี้เยอะเลยนั่นก็พิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วนะฮะก็ตำหนิคนที่ควรตำหนิมื่อเขามีการกระทําที่ควรตำหนิแสดงว่าเราอาจจะคนนั้นอาจจะเป็นลูกเราหลานเราญาติพี่น้องเราพี่น้องพี่ของเราน้องเราก็ได้เราเองก็ได้นะฮะเหมือนกันตำหนิกันได้ยกย่องกันได้ แต่ว่าไม่ไปให้ความทำกันแก่คนเพราะคนมันอดจะขยายความไม่ได้อย่างนี้บอกไว้ว่าถ้าพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาความดีมากเราพูดนิดเดียวแต่บพูดความดีของคนที่เราชอบเทําดีนิดเดียวเราพูดซะเยอะเลยพอพูดถึงความชั่วของคนที่เราไม่ชอบเขาชั่วนิดเดียวเราพูดซะเยอะพอพอความชั่วของคนที่เราชอบเพราะทาชั่วตั้งเยอะเราพูดนิดเดียว เห็นไหมอาศัยความชั่วของเขาเนี่มาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราเรายังไม่ได้ทำชั่วเรายังไม่ไพูดชั่วแต่พอดีคนที่เรารักเกิดไปทำชั่วขา่าเรากลัวก็าลยจะถูกลงโทษเลยก็กลบเกลื่อนก็โกหกแทนให้ก็ตกลงว่าสมมติว่าพวกเรานเนี่ยไปฆ่าสัตว์ได้ก็ผิดศินข้อที่หนึ่งเราก็ผิดสินข้อที่สี่เพราะมุสาวัส เห็นไมมขอโดน โ, โดยสารก็ทำทำผิดศีลไปด้วยเพะนทั้งสามเรื่องเนี่ยตรงสอนให้พิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การเคารพนับถือคือว่าไปตามสมควรแก่กรณี เพราะในกรณีที่ส่งตําหนิเนี่ยบอกว่าไปสรรเสริญคนที่ควรนินทาหรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญก็แสดงว่าใช้อารมณ์ช้อติการไปสรรเสริญคนที่ควรนินทาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเป็นที่รักของเราก็ทําชั่วเราก็เห็นกันอยู่แต่ยังยกย่องเขาหรือนินทาคนที่ควรแกการสรรเสริญเนี่ยนะคนนี้เขาทําดีแต่พอดีเราไม่ชอบเขา เราก็เป็นอินถาเขาไปกล่าวหาเขาไปใส่ร้ายเขาไม่รู้จะว่าอะไรก็แต่แต่สักหน่อยหนึ่งแต่ตัวเตี้ยไปแต่อ้วนไปแต่หัวล้านแต่อะไรนี่ก็ว่าไปเรื่อยๆทั้ ง, ทงๆไปพูดเรื่องกรรมนะฮะพูดเรื่องการกระทำแล้วก็ไม่มีกรรมอะไรที่จะมากล่าวหาก็ได้ก็เลยก็ยักย้ายถ่ายเทยไปพูดในเรื่อ ง, องการทําเช่นนี้ก็สะสมบาปด้วยปากนะฮะ แล้วจะไม่ได้สุขเพราะอะไรเพราะจิตใจลำเอียงจิตใจลำเอียงมันจิตใจที่ถูกกลุ้มหลุ้มในกิเลสนะจะลงทุนทําชั่วนะกลัวจะลงทุนทําชั่วรักจะลงทุนทําชั่วโกลัจะลงทุนทําชั่วโง่จะลงทุนทําชั่ ว, วไอโ ง, ง่ น, นะพอทําเนาเนี่ยหรือโง่นี่ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะานัคนที่เป็นบัณฑิตจึงมองการกระทําของคนตาม สมควรแก่ ก, กรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้แล้วก็ยกย่องตําหนิไปตามสมควรแก่กรณีนี่ก็เป็นการเน้นที่ไรเน้นที่ตัวสัจจาวาจาตัวสัจจาวาจานั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่มันก็ครอบคลุมการกระทำอย่างอื่นเอาไว้อย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนต้องฟังท่าไหร่แต่ร่มประสพิญาาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุรในธรรม